การส่งกระแสความคิดเราส่งกระแสความคิดกันอย่างไรในโลกทิพย์จากการทดลองครั้งแรกของข้าพเจ้ากับรูธภายใต้การควบคุมของเอ็ดวินดังที่กล่าวมาแล้วในภาคหนึ่งนั้นปรากฏว่าเราได้ยินเสียงของเอ็ดวินดังมาจากระยะไกลซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเกินกว่าที่เขาจะตะโกนออกมาให้เราได้ยินได้แต่เราก็ได้ยินเสียงของเขา กล้องอยู่ในที่ใกล้ๆหูของเราเหลือเกินในครั้งแรกเราก็ไม่ค่อยจะเชื่อหูของตนเองและยังคงคิดว่าเอ็ดวินคงกำลังเล่นสนุกล้อเราอยู่แต่และเขาก็สั่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้เรากลับไปหาเขาตามเดิมแล้วเราก็ได้กลับไปหาเขาได้ดังเดิมเหมือนกันก่อนที่เราจะได้ยินเสียงของเอ็ดวินนั้นเรารู้สึกว่าได้เห็นแสงวาบผ่านหน้าเราไปเป็นทาง แสงนี้ไม่ใช่เป็นแสงที่บาดในตาอย่างใดแต่เป็นแสงที่น่าดูทีเดียวต่อจากนั้นเราก็ได้ยินเสียงของเขาตามหลังมาเท่าที่ได้บรรยายมานี้คือการพูดให้เห็นกันอย่างร่วบรัดว่าเมื่อกระแสะความคิดถูกส่งไปจากบุคคลหนึ่งถึงอีกคนหนึ่งในโลกทิพนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามองไม่เห็นความคิด ในการที่มันเดินทางผ่านไปแต่มันจะปรากฏให้เห็นเมื่อมาถึงจุดหมายปลายทางเป็นรูปแสงสว่างว่าบอันแจ่มใสแล้วเราก็สามารถได้ยินเสียงของอีกฝ่ายหนึ่งคล้ายๆกับว่าจะมากล้องอยู่ข้างหูของเราฉะนั้นข้าพเจ้าใช้คําว่าคล้ายกับเพราะข้าพเจ้าไม่ได้คิดว่าจะพยายามอธิบายปรากฏการเหล่านี้ให้ท่านเห็นจริงโดยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ว่ามันเป็นไปได้อย่างไรข้าพเจ้าต้องการเพียงยืนยันว่ามันได้เป็นเช่นนั้นจริงๆเท่านั้นและความจริงเช่นนี้ก็ได้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นทั้งหลายมาแล้วเหมือนกันมันอาจเป็นไปได้ว่าเสียงในที่นี้คือของความคิดเดินทางมาโดยอากาศแล้วเราก็รับรู้ได้โดยผ่านทางใจของเรากระมังนี่คือข้อคิดของข้าพเจ้าเอง ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บรรยายมานี้เป็นการบรรยายอย่างกันเองเพื่อให้เห็นว่าสภาวะต่างๆในโลกที่เป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าเคยได้รับคำบอกเล่าว่าการทำเช่นนี้จะเป็นการดีกว่าที่จะมัวพยายามยกเหตุผลทางหลักวิชาอันลึกซึ้งยืดยาวทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นการฟังเข้าใจยากสำหรับบุคคลส่วนมากอีกด้วยข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้คิดว่า ตนเองมีความรู้ดีในทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดแต่ก็คิดว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างในที่นี้ที่เราได้รับเอาไว้เป็นส่วนสําคัญแห่งชีวิตของเราโดยดีโดยไม่จําเป็นต้องไปศึกษาหาเหตุผลว่ามันได้มีได้เป็นมาอย่างไรเพราะอะไรสมมุติว่าข้าพเจ้าจะถามท่านว่าในการเดินนั้นท่านเคลื่อนไหวขาทั้งสองของท่านอย่างไรท่านอาจจะตอบลําบากมาก ถ้าจะกะเกณให้บรรยายกันในทางวิชาสรีระวิทยาหรือการวิภากวิทยาว่ากล้ามเนื้อตอนนั้นชื่อนั้นมีรูปร่างเช่นนั้นมีขนาดเช่นนั้นมันได้ทำหน้าที่อย่างนั้นอย่างนั้นในขณะนั้นๆั้นในขณะที่ท่านยกขาเดินไปเพราะอันที่จริงถ้าจะพูดกันอย่างภาษาชาวบ้านทั่วไปเราก็สามารถพูดกันให้รู้เรื่องง่ายว่าอันขาทั้งสองของเรานี้ถ้าเราใช้มันเดินมากๆ หรือนานๆเข้ามันก็เหนื่อยลลาต้องพักผ่อนมันบ้างหรือไม่ก็บรรยายกันถึงภูมิประเทศอันสวยงามซึ่งเจ้าของขาทั้งสองได้ประสบในระหว่างที่เขาได้ใช้ขาอันซื่อสัตว์ทั้งสองของเขาเหยาะย่างไปจะมีรถมีชาติดีกว่าที่จะแต่งบทความทางวิทยาศาสตร์เรื่องสรีระวิทยาของกล้ามเนื้อขาดังกล่าวมาแล้ว ที่กล่าวมานี้ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าจะลบหลู่ดูถูกความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดเป็นแต่ข้าพเจ้าขอให้ง่าคิดว่าแม้วิชาวิทยาศาสตร์จะมีความสําคัญสักเพียงไรก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างหรือหลายขณะในชีวิตของเราที่ไม่ต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยเรายินดีรับเอาชีวิตของเราในสภาพเช่นนี้โดยไม่ต้องกังวลถามหาเหตุผลว่า มันมีความเป็นมาอย่างไรในด้านวิทยาศาสตร์ในโลกมนุษย์มีหลายเรื่องหลายขณะที่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับการหาเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์เลยชั้นใดในโลกทิพเราก็เป็นชันนั้นเหมือนกัน